พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุตตันตาปิฎกโซนทันทสูตรสูตรว่าด้วยปรามชื่อโซนทันทะพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่สเสด็จแวะพักณกรุงจปาปาประทับที่ริมฝั่งสะน้ำชื่อคักคราครั้งนั้นปรามชื่อโสนทันทะ ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าพิมพิสารให้ครองกรุงจำปาพรามคฤห บ, บดีชาวกรุงจำปาได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับหนริมสระน้าชื่อคคราและพระองค์เป็นผู้มีกิตติสัพคจรกระจายไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและอื่นๆอีกจึงชวนกันเดินทางไปเฝ้าจะเฝ้าเป็นกลุ่มกลุ่ม โซนทันทพรามซึ่งเข้านอนกลางวันชั้นบนปราศาสตร์มองเห็นพรามข้ารหบดีชาวกรุงจมปาเดินทางไปเป็นกลุ่มๆเช่นนั้นจึงเรียกมหาอมบา์สนองโอดมาถามทราบความแล้วจึงสั่งให้คนเหล่านั้นคอยเพื่อตนจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยพวกพราหม์ชาวต่างแดนประมาณห้าร้อยคนที่มาพักในกรุงจมปาด้วยกรณียกิจบางอย่าง ทราบว่าโสนทันทพรามจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็เข้าไปห้ามไว้อ้างความยิ่งใหญ่ของโสนทันทพรามโดยชาติโดยทรัพย์โดยความรู้ในไตรเพศโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยศีลโดยมีวาจาไพเราะโดยเป็นอาจารย์ของคนมากโดยมีมานพเป็นอันมากมาจากต่างทิศต่างชนบทเพื่อเรียนมนต์โดยเป็นผู้แก่กว่าพระสมณโคดม โดยเป็นผู้ได้รับความเคารพนับถือจากพระเจ้าพิมพิสารและโปคกระสาติพรามโดยเป็นผู้ครองกรุงจำปาจึงไม่ควรไปหาพระสมณะโคดมควรที่พระสมณะโคดมจะมาหามากกว่าโซนาทันทพรามตอบอ้างความยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคโดยพระชาติโดยละรั์สมบัติออกผนวดโดยมีพระรูปงดงาม โดยมีศีลมีถ้อยคำไพเราะโดยเป็นอาจารย์ของคนมากโดยเป็นผู้สิ้นกามราคะโดยเป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีหนังสือวงเล็บไว้ว่ากล่าวว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วโดยออกบวชจากสกุลกษัตริย์อันสูงไม่เจือปนสกุลอื่นโดยออกบวชจากสกุลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีคนจากรัฐอื่น จากชนบทอื่นมากราบทูลถามปัญหามีเทพดาอเนกนับหลายพันพากันถึงพระสมณะโคดมเป็นสารณะมีกิตติศั์ขจรกระจายไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นโดยประกอบด้วยมหาปุริษลักษณะ32ประการโดยทรงต้อนรับปราศัยให้บันเทิงมีบริษัทสี่เคารพนับถือมีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใส ย, ยิ่ง ประทับในคามนิคมใดๆอมนุษย์ก็ไม่เบียดเบียนในที่นั้นโดยมีผู้กล่าวว่าทรงเป็นคณาจารย์เลิศ ก, กว่าเจ้าลัทธิเป็นอันมากมีประโยชน์เปื้องฟุ้งไปเพราะความรู้ความประพฤติหรือวิชาและจรณะไม่เหมือนสมณะพราหมณ์เหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งโอรสมาเหสีบริษัตและอมมาต์พระเจ้าประเสณที่โกศล พร้อมทั้งโอรสและอื่นๆโภคาระสาติพรามพร้อมทั้งบุตรภริยาและอื่นๆก็ถึงพระสมณะโคดมเป็นสรณะเมื่อเสด็จมาจึงชื่อว่าเป็นแขกที่เราจะพึงถวายความเคารพสักการะเพราะเหตุนี้จึงไม่ควรที่จะกล่าวให้พระองค์เสด็จมาหาเราควรที่เราจะไปเฝ้าพระองค์ เมื่อโสนนทันทพรามกล่าวพันนาพระพุทธคุณอย่างนี้พรามที่คัดค้านก็กล่าวว่าถ้าพระสมณะโคดมเป็นเช่นที่ท่านกล่าวนี้แม้อยู่ไกลร้อยโยต์ก็ควรจะสะพายสเบียงเดินทางไปเฝ้าขณะที่ไปเฝ้านั้นโสนนทันทพรามเกิดความปริวิตรกว่าตนจะถามปัญหาไม่ได้ดีบ้างจะตอบปัญหาไม่ได้ดีบ้าง ครั้นจะไปพอใกล้แล้วกลับซะก็จะถูกหาว่าเป็นคนโง่จึงกลัวไม่กล้าเข้าใกล้บ้างความผิดพลาดแต่ละข้อนี้จะทำให้บริษัทจับผิดเป็นเหตุให้เสื่อมยศเสื่อมทรัพย์แต่พระผู้มีพระภาคทรงรู้วาราจิตของพรามจึงทรงเลือกถามปัญหาที่โสนทันทพรามเชี่ยวชาญโดยเฉพาะคือปัญหาในไตรเพศ ซึ่งทำให้โสนทันทพรามดีใจมากคือตรัสถามว่าผู้ประกอบได้คุณสมบัติกี่อย่างจึงบัญญัติว่าเป็นพรามได้และควรเรียกตัวเองได้ว่าเป็นพรามโสนทันทพรามตอบว่าหนึ่งมีชาติดีคือเกิดจากมรนดาบิดาเป็นพรามสืบสายมาเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ 2. ท่องจำมนในพระเวทได้ 3. ม, มีรูปงามสีมีศีล 5. เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาตรัสถามว่าในห้าอย่างนี้ถ้าลดศีลหนึ่งเหลือสี่พอจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ควรเป็นพรามได้หรือไม่โซนทันทพรามตอบว่าตัดข้อมีผิวพันธ์ดีออกประถามว่าถ้าลดสีลอีกหนึ่งเหลือสามจะลดอะไร โสนทันทพรามลดข้อท่องจำมนตร์ตรัสถามว่าถ้าลดลงสิอีกหนึ่งเหลือสองจะลดอะไรโสนทันทพรามลดข้อที่เกี่ยวกับชาติคือกำเนิดจากมารดาบิดาเป็นพราหม์พอลดข้อนี้พวกพราหมณ์ที่มาด้วยก็ช่วยกันขอร้องว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเพราะเป็นการกล่าวกระทบผิวพันธ์กระทบมน ประทบชาติจะเสียทีแก่พระสมณะโคดมโซนาันทพรมก็โต้อตอบว่าหลานของตนคืออังคกะมานพที่นั่งอยู่ในที่ประชุมนี้มีผิวพรรณดีท่องจำมนได้ดีเกิดดีจากมันดาบิดาทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพรามสืบต่อมาเจ็ดชั่วบรรพบุรุษแต่ก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ ดื่มน้ำเมาผิวพันธ์มนชาติจะทำอะไรได้เมื่อใดพรามเป็นผู้มีศีลมีปัญญารวมสองคุณสมบัตินี้จึงควรบัญญัติว่าเป็นพรามและควรเรียกตัวเองว่าเป็นพรามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถ้าลดเสียหนึ่งเหลือหนึ่งพอจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ควรเป็นพรามได้หรือไม่ โซนทันทพรามกราบทูลว่าลถไม่ได้เพราะศีลชําระปัญญาปัญญาชําระศีลในที่ใดมีศีลในที่นั้นมีปัญญาในที่ใดมีปัญญาในที่นั้นมีศีลศีลกับปัญญากล่าวได้ว่าเป็นยอดในโลกเปรียบเหมือนใช้มือล้างมือใช้เท้าล้างเท้าศีลกับปัญญาก็ชําระกันและกันฉันนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองภาษิตของโสนทันทพรามว่าถูกต้องแล้วตรัสถามต่อไปว่าศีลเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรโสนทันทพรามจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถึงการที่บุคคลเลื่อมใสในพระองค์ออกบวชประพฤติพรมจรรย์ตั้งอยู่ในศีลสามชั้น ข้อนี้เหมือนในสามัญญพ ล, ลสูตรบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่และได้วิชา8ดมีวิปัสสนาญาณเป็นต้นมีอาสวะคยญาณเป็นที่สุดดังได้กล่าวไว้แล้วในสามัญญพ ล, ลสูตรเป็นอันตรัดอธิบายถึงศีลและอธิบายถึงปัญญารวบยอดที่ปัญญาอันทรใอิสิ้นอาสวะคือกิเลส ท, ที่หมักดองในสันดาน เมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมจบโซนทันทัพรามกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรเป็นสรณะตลอดชีวิตแล้วอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ฉันในวันรุ่งขึ้นครั้นรุ่งขึ้นถวายพัตตาหารเสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าถ้าตนอยู่ในบริษัท ลุกขึ้นจากอาสนะกราบถวายบังคมก็ตามถ้าไปในยานลงจากยานกราบถวายบังคมก็ตามพวกบริษัทก็จะจับผิดได้เป็นเหตุให้เสื่อมยศเมื่อยศเสื่อมก็จะทำให้เสื่อมทรัพย์เพราะได้ทรัพย์มาเพราะยศถ้าตนไปในบริษัทประคองอัญชลีขอให้ทรงถือว่าตนลุกขึ้นจากอาสนะถ้าไปในยาน ยกประตักขึ้นขอให้ทรงถือว่าตนลงจากยานถ้าเบี่ยงร่มขอให้ทรงถือว่าตนกราบถวายบังคมด้วยเสียรกล้าวหมายเหตุพระสูตรนี้แสดงว่าโสนนัทธัพพรามยอมตัดความสําคัญเรื่องผิวพัรุ์เรื่องมนเรื่องชาติกําเนิดของพรามทิ้งให้เหลือแต่ศีลกับปัญญาก็ทําให้คนเป็นพรามได้ อันเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคจึงประทานสาธุรับรองภาษิตของพราหมนั้นศาสตราจารย์ริสเดวิสเห็นว่าแม้ทางพระพุทธศาสนาจะเสนอหลักการแบบนี้ก็ทำการเลิกล้มความคิดเห็นของพราหมณ์ไม่สำเร็จพราหมยังคงถือชาติเป็นสำคัญตลอดมาแต่ผู้เขียนเห็นว่าพระพุท ธ, ธเจ้าไม่ได้ทรงแทรกแซงความเชื่อถือของพราหมณ์ ใครจะถือก็ถือไปแต่หลักธรรมมีอยู่อย่างนี้ก็ส่งแสดงให้ฟังผลที่ปรากฏก็มีอยู่คือพรามที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยพากันถือตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเข้าทํานองว่าเมื่อเราไม่สามารถจะเกี่ยวญ้ามุ่งทุ่งทั้งทุ่งได้อย่างน้อยเอามามุ่งหลังคาเฉพาะของเราเอง ก็ยังดีกว่าตากแดดตากฝนไปตามคนอื่นยิ่งในสมัยนี้รัฐ ธ, ธรรมนูญอินเดียไม่ยอมรับรองสิทธิพิเศษของชาติชั้นวันนะผู้นำอินเดียพากันสดุดีหลักธรรมเรื่องนี้ของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเห็นกันขึ้นว่าหลักธรรมนี้ประเสริฐอย่างไร